เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สามนานาสภาวะจิตการเจริญสติในเดือนที่สองทาให้ฉันเห็นตามจริงอย่างหนึ่งคือโลกเนี้แบ่งเป็นสองภาคคือภาคแห่งรู ป, ปรธรรมและภาคแห่งนามธรรมโลกแห่งรู ป, ปรธรรมมีความวิจิตพิสดารหลากสีหลายสันอาจถูกตกแต่งปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อย